ภาวนานะมันก็มีคนเข้าใจมากขึ้นนะเข้าใจธรรมะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆธรรมะของพระเจ้าชัดเจนท่านบอกเป้าหมายไว้ชัดเจนนะปฏิบัติเป็นไปเพื่อลดไล่กิเลสนะสุดท้ายหมดความยึดถือในธาตุขันธ์นพ้นทุกข์ ชีเป้าไว้คือพ้นจากความทุกข์จนวันที่ธาตุขันแตกก็เข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์าการปฏิบัติเนือตอนที่พ้นจากกิเลสก็พ้นจากทุกข์ทางใจเรียกว่าสอุปาทิเสสนิ พ, พานดำรงขันต่อไปจนขันแตกขันดับมันตายก็พ้นจากขันเรียก อ, อนุปาทิเสสนิ พ, พาน อนิพพานยังมีสองอันนะเป็นภาวะที่พ้นจากทุกข์อันหนึ่งเป็นภาวะที่ดับสนิทของทุกข์อีกอันหนึ่งในพวกเราภาวนานะถ้าเมื่อไหร่ชนะกิเลสได้โดยเฉพาะอาวิชชาความไม่รู้อริยสัจไม่เห็นจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าชนะตรงนี้ได้เรียกว่าพระอราหารันยังมีชีวิตอยู่ สัมผัสพระนิพพานนะแต่ว่าพ้นทุกทางใจทางร่างกายยังมีขันยัยงทุกอยู่วิบากที่ดีที่ไม่ดีเนี่ยยังให้ผลต่อขันได้อยู่ขนาดพระพุทธเจ้าของเราบารมีทั้งมากมายแต่ท่านก็เคยทําบาปขนาดวันที่ใกล้จะนิพพานวันที่จะนิพพานเดินไปกุสินารา กระหายน้ําอยากดื่มน้ําก็มีเปลี่ยนผ่านแม่น้ําไปก่อนทําให้น้ําขุนพระอนุนไม่ยอมตักน้ําให้ท่านดื่มท่านก็ไม่สบายด้วยนะชาราด้วยให้บอกพระนุนให้ไปตักเถอะไปตักมากันได้น้ําใสมาน้ําขนะุนนั้นมันไหลไปหมดแล้วทาไมต้องกระหายน้ํา ความกระหายน้ำเป็นทุกข์ทางกายเนปะ็นทุกข์ของขันพระพุทธเจ้ายังไม่พ้นเลยท่านถ่ายเป็นโลหิตท่านถ่ายเป็นโลหิตจะต้องนิพพานขันจะแตกโดยการที่ไม่สบายถ่ายเป็นเลือดทำไมต้องเป็นอย่างนั้นขนาดเป็นพระพุทธเจ้าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะวิบากของท่านมีท่านเคยเป็นหมอนะ พวกเราในห้องนี้เป็นหมอเยอะเลยท่า น, นโลภมีความโลภท่านไปวางยาผลไข้ทําให้เขาถ่ายเป็นเลือดขนาดบําเพ็ญบารมีมาตั้งนานบรรลุพระอราหันต์วิบากยังตามให้ผลท่านงั้นถึงเราพ้นกิเลสนะจิตเราพ้นจากความทุกข์ไปแล้วแต่อากูศลนวิบากเนี่ยยังกระทบเข้ามาที่ธาตุที่ขัดในได้ที่กายในได้ นันกรรมเล็กกรรมน้อยนะพวกเราพยายามเลี่ยงอย่าไปทําที่พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกให้ทํากรรมใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> กระทั่งกรรมเล็กๆย่างเลี่ยงเลยใหญ่ๆอย่าไปทํานะยังไงก็ต้องมีผลทลํากรรมไม้ยังมีผลแล้วพวกเราบางคนไม่เข้าใจคิดว่าไปขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งอันนั้นไม่ใช่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า ที่เราไปขอได้นี่เราไปขอขมาไปขอโทษอย่างพระเทวทัตสํานึกผิดในเวลาที่จะตายแนละถูกแผ่นดินสูบลงไปเอาลูกคางเนื้อมือไม่มีแล้วถูกดูดลงไปแนละ้วกระดูกกระดิกไม่ได้นะอยังหัวกระดูกกระดิกได้อย่างเดียวเอาลูกคางเกยแผ่นดินนะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดูกลูกคาง ขอขมาท่านได้ร่วมเกินท่านมามากมายนะพยายามฆ่าท่านทั้งหลายทียนะไรอเงี้ยขอขมาเสร็จนะแผ่นดินก็สูบลงไปอยู่ในเอเวจีมหานรกสัตว์ในเอเวจีตัวใหญ่มากนะตัวโตมากเลยไม่ใช่ตัวเล็กๆ เ, เท่าพวกเรานี่หรอกตัวเล็กพวกเราตัวน้อยนิดเดียวถูกไฟเผาทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดเลย เป็นนรกที่ไม่ยอมหยุดพักเลยขยันมากนะทำไมขอเข้ามาแล้วยังลงอเวจีเพราะว่ากรรมนั้นมีสําเร็จไปแล้วนะอย่างพวกเราบางทีเราชอบพื่าขออโหสิกรรมอโหสิกรรมกรรมก็ขอกันไม่ได้เราขอโทษาหากขอเข้ามานะอย่างเวลาพระเวลาจะเข้าพรรษานานะั้นพระก็ไปขอเข้ามากัน เป็นผู้น้อยไปขอขมาพระผู้ใหญ่เขาเรียกไปทำสามีจีกรรมไปทำกรรมที่ดนะีเป็นความมารยาทอันเรียบร้อยไปบอกว่ากรรมใดที่ประมาทล่วงเกินนะสิ่งใดที่ประมาทล่วงเกินในพระเถระเนี่ยขอให้ท่านอดโทษขอขมาณนะ่ะขอให้อดโทษคืออย่ากโกรธอย่าเคืองอย่า ก, การแกล้งลังแกตอบอะไรเงี้ยนะขอโทษนะ เพื่อความสำรวมระวังนะยไม่ทำอีกอนะไรเงี้ยพระผู้ใหญ่เ็าบอกว่าเออผมให้ขมาให้ให้อภัยยกโทษให้แต่ถ้าผมร่วงเกินท่านผู้น้อยก็ยกโทษให้ผมด้วยนะน่ารักนะระบบของพระพระผู้ใหญ่จะบอกว่าหั่ขมามิเอ อ, มมเ อ, อผมยกโทษให้ตุมเพียหีปีเม็มิตรปัง ถ้าผมมีโทษอะไรท่านก็ยกให้ด้วยนะขอเข้ามาซึ่งกันและกันการขอขามาโทษเนี่ยเป็นความกล้าหาญงั้นอย่างเราทําผิดร่วงเกินใครนะเราไปขอเขามาเขาเนี่ยเป็นความกล้าหาญของเราที่จะเปิดเผยความไม่ดีของตัวเองได้คนที่กล้าหาญอย่างนี้พระพุทธเจ้ายกย่องนะแต่พวกเราเชอไปบอกขออโหสิกรรมกรร ม, รรมอโหสิไม่ได้ อาโหสิกรรมไปว่ากรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้วอย่างเทวทัศนะขึ้นจากเวจีมานะี่นี่อโหสิกรรมนะให้ผลแล้วเลิกกันไปลนะรับผลแล้วนะเพราะ้กรรมชั่วแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ควรทำกรรมดีแนมะ้แต่เล็กน้อยก็ควรทำนี่ครูบาอานะเดินเดินไปเจอลังของปา่ปาป่าใครเคยเห็นมันออกไข่ไหม เป็นพวงๆนะเก็อยู่ตามใบไม้แม่มันกะไม่เก่งถ้ามันอายุถึงขีดสุดเนี่ยมันก็จะหล่นลงน้ำํำมันกะไม่เก่งนะมันหล่นไปบนบกอูบาร์ไปเก็บลูกอสเก็บเอาไปปล่อยนะทีละตัวทีละตัวตัวที่เตี่ยวอะเก็บโอ้มันใกล้จะตายแล้วเอาน้ํามาใส่ก <c oughs> ็ จ, จับอีก işte. จับอยู่เป็นชั่วโมงเลยบุญไหมบุญ ดูเล็กน้อยนิดเดียวนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะบุญทั้งนั้นอะ่นะอย่างเราไม่มีเงินไปซื้อปลามาปล่อยนะช่วยชีวิตสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็ได้บุญเยอะแยะเลยการทำบุญต้องทำแบบมีสติปัญญาทำไปเพื่อสงเคราะห์ทำไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นสัตว์อื่นนะไม่ทำเพื่อจะเอาจะทำเพื่อจะเอากิเลสออกไม่ใช่ทาเพื่อสะสมกิเลส บางคนทําบุญเพื่อสะสมกิเลสทำแล้วอยากได้โนู่นอยากได้นี่นะบุญนะ่าทำไปเพื่อลดละกิเลสนะค่อยๆเอากิเลสออกจากใจดีที่สุดเลยนะสงเคราะห์ช่วยเหลืออะไรเนี่ยนะลดความเห็นแก่ตัวทําใจให้กว้างทําใจให้อ่อนโยนทําใจใมีเมตตากรุณา เ, เป็นการพัฒนาจิตใจทําบุญเพื่อจะเอานะเช่นสาธุขอให้ได้นู่นขอให้ได้นี่ไอ้นั้นมันลูกฉู่ชกแล้ว ใช่ลูกพระพุทธเจ้าถึงจะเอาอยากได้เนี่ยเราค่อยสังเกตใจไปกรำใดนะที่ทําแล้วลดละกิเลสได้นะทํานะเล็กๆน้อยๆก็ทําไปเรื่อยอย่างเห็นลูกอสต์มันตกอยู่บนบกเนี่ยส่งเคราะห์มันได้ก็ส่งเคราะห์มันไม่ใช่เพื่อจะเอาบุญสาธุให้นะปล่อยลูกอสต์ได้กี่ตัวขอให้หวยออกเท่านั้นอะไรเงี้ยนะอะอย่างเงี้ยอย่างนั้นทําเพื่อจะเอานะ ทำเพื่อพอกผูนแล้วเราค่อยๆฝึกนะบุญทั้งหลายทำไปเรื่อยเพื่อลดละกิเลสไม่ใช่เพื่อพอกผูนกิเลสความชั่วทั้งหลายแม้แต่เล็กน้อยก็อย่าไปทำมันค่อยๆเลี่ยงแต่เป็นฆราวาสเนี่ยยากมากที่จะถือศีลให้สะอาดหมดจดยากมากเลยหลวงพ่อเคยเป็นฆราวาสมานานนะมีอย่างบางคราวผู้ใหญ่มันสั่งเร้ว่า ใครโทรมานะคุณรับสายแล้วคุณบอกเลยนะว่าผมไปไประชุมโอ้สั่งให้เราโกหกมาเราแย่แล้วว่าพยายามเลี่ยงๆออกจากโทรศัพท์นะไปไกลๆพอกลับมาโทรมาพอดีเลยนนอย่างเงี้ยมาคุยกัหัวนหน้าเราเรววา่าเขาสั่งให้บอกว่าไปไประชุมครับเวนเวนเวนเวน หรือตอนทำงานใหม่ๆนะเป็นข้าราชการผู้น้อยสี่สามไปนั่งโต๊ะผู้ใหญ่น้ำกินเหล้ากินเหล้านะอย่าเรียกให้เรากินเหล้าด้วยเราก็ไม่กินกินไม่ได้หรอกกินแล้วอย่างง้นอย่างนี้นะไม่ยอมเขาก็เขียวเข็นเราเลยตอนหลังตัดใจผสมเหล้าให้มันกินเลยเติมไปเรื่อยเลยนะมันจะได้เมาเร็วๆไม่มาเขียวเข็นเราตันหลังได้ทริค เราไปทำเล่าให้เขานะเราน้ำแข็งใส่โซดาใส่นะหยดเปบปซี่อะ่ะสองสามหยดเหมือนเปียกเลยมาชนแก้วชนชนเท่าไหร่เราก็ชนะว่า <c oughs> <c oughs> เป็นคราวาสนะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดนี่ยากมากเลยปลวกขึ้นบ้านจะทำไงอะ่ะใครเคยปลวกขึ้นบ้านบ้างยกมือซิบ้านอยู่ที่ไหน อยู่กรุงเทพเนะกรุงเทพปลวกเยอะของกินเยอะปลวกเยอะแต่ว่าคนกรุงเทพนะมีแต่ปลวกนะน่าสงสารนะไม่มีเห็ดโคนเนี่ยคนบ้านนอกนะมีปลวกนะี่ยมีเห็ดโคนนะกินนะปลวกขึ้นบ้านจะทำยังไงทําไงดีเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้นะต้องคิดเยอะเลยต้องเยอะเลย งั้นการที่เป็นฆราวาสอยู่เนี่ยจะถือศีลให้สะอาดหมดจด น, นะเป็นเรื่องยากนะต้องใจแข็งจริงๆเลยแล้วต้องฉลาดต้องต้องมีสติต้องมีปัญญาเหนือถือรอดแต่จะถือให้เพอร์เฟกต0ร้อยเซนเหมือนพลานี่ถือยากก็พยายามให้มันผิดศีล น, น้อยที่สุดยานะยามเลี่ยงไปให้น้อยที่สุดกรรมแม้แต่เล็กแต่น้อยก็มีผลทั้งสิน้นแหละครั้งหนึ่งนะสมัยพุทธกาล ไม่มีโจรโจรคนนี้หนวดแดงเขาเรียกโจรขาวแดงโจรเนี่ยถูกทหารไปจับมาแล้วก็พอดีเพชฌฆาตประจำเมืองเนี่ยมันเปิดกระสีนพวกขุนนางพวกอํมมาศนั่นแลยคิดกันไปบอกพวกโจรว่าถ้าคนไหนยอมตัดหัวเพื่อนนะจะอภัยโทษ ร, รับให้เป็นเพชชฆาตต่อพวกโจรทั้งหลายรักษาสัจจะไม่ฆ่ากันเองมีอิตาขาวแดงเนี่ย อาสานะฆ่าเพื่อนเรียบเลยก็เลยได้เป็นเพชฌฆาตแล้วตัดหัวคนอยู่เรื่อยนะจนกะเกษียณที่กเกษียณเนี่ยไม่ได้อายุ60เสเกษียณนี่คือไม่มีแรงจะฟันฟันแล้วหัวไม่ขาดสักทีนะฟันอยู่นั่นแหละปักปั ก, กไปเรื่อยนะมันทรมานมากในสุดคนถ้าทนไม่ไหวเขาบอกให้แต่นี้ออกจากงานพอแก่เกษียณนี่อายุมากแล้วะแกก็ต้องทําบุญสัหน่อยทําบาปมามากแล้ว ทำอาหารแต่งตัวอาบน้ำใส่เสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่นะถ้ายกของเราต้องเปลี่ยนทรงผมนะยุคนั้นคงไม่เปลี่ยนนิมนต์พระสารีบุตรมานิมนต์พระมาได้พระดีที่สุดมาด้วยรนะองจากพระพุทธเจ้าธรรมดาของพระสมัยโน้นกนะ็คือไปถึงเนี่ยให้ท่านฉันพอฉันเสร็จแล้วท่านจะให้ธรรมะจะตอบแทนด้วยธรรมะ อย่างที่บอกยถ า, าวาริวะหาปุราปริพุเรนติสะกังพระไม่ได้ให้พ่อ น, นะพระสอนธรรมะ ห, หยาดน้ําแต่ละหยาดนะหยดลงเรื่อยๆก็เต็มมาหาสมุดได้นะทานเล็กน้อยที่ท่านทําแต่ละคราวแต่ละคราวสะสมไปก็เป็นของใหญ่ได้เนี่ยสอนนี่พระสารีบุตรก็สอนธรรมะโจร น, นี่ก็คิดอดีตโจรเนี่ยข่าแดงเราตัดหัวคนมาตลอดชีวิตเลย เราไม่คู่ควรกับธรรมะใจเนี่ยกระสับกระส่ายใจร้อนรนตลอดพระสารีบุตรท่านรู้โอ้ โ, อโจรนี้ไม่มีสมาธิเลยมันกังวลแต่ว่าในอดีตนี่เป็นเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนเยอะตัวเองโสดปรกไม่คู่ควรกับธรรมะพระสารีบุตรท่านก็นฉลาดนะท่านก็ถามเพชฌฆาตเกาแดงว่าตอนที่ท่านไปตัดหัวคน่ะเป็นเพชฌฆาตเนี่ยท่านอยากตัด หรือพระราชาสั่งให้ตัดตอนนีก้ก็สมองก็จีเนียสระดับของแกแล้ะนะโอ้พระราชาสั่งให้ตัดคิดอย่างนี้ขึ้นมานะตอบไปอย่างนี้นะสบายใจเลยพระราชาบาปเราไม่บาปหรอกในภาษาเรียบุตรต้องการให้แกรู้สึกอย่างนี้หลอกไหมเป็นอุบายนะเป็นอุบายผิดศีลไหมไม่ผิดนะถามนี่ ไม่ได้บอกแกนะว่าที่คุณตัดหัวเขาไม่บาปหรอกมาฟังเทศเถอะอันนี้โกหกเนี่ยท่านถามเลยว่าไปตัดหัวเขาเนี่ยอยากตัดหรือว่าพระราชาให้ตัด ร, ราชาสั่งจะสบายใจพอสบายใจอะไรจะเกิดสมาธิเกิดมมีความสุขและสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจิตมีความสุขฟังธรรมะเกิดปัญญา สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาได้ประสบดบันนะได้เป็นประสบดบันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติแต่ไม่ต้องตกนรกอ่ะแต่เกิดชาติไหนก็ต้องปวดหัวทุกชาติอ่ะหัวต้องไม่ปกติหละะมันให้ผลได้นะนี่คารวะถือศีลยากาต้องใช้สติใช้ปัญญานะอย่างพระสารีบุตรมีสติมีปัญญามากแต่กรรมชั่วไม่ทําซะเลยดีกว่านะดีกว่า นนเมื่อเช้าสอนธรรมายากไปภาคนี้เลยสอนออกง่ายๆหน่อยแต่ทํายากทํายากกว่าทํากรรมาฐานอีกนะไม่ทําชั่วทําดียากไหมยากต้องมีสตินะคอยสอดส่องจิตใจของเราเรื่อยเลยกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันถ้าไม่รู้ทันนะทําความดีไม่ขึ้นหรอนทำยากกิเลสมันแทรกหมดเลยอยากทําความดีทั้งหลายนะก็มีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังองนี้ นะมีตัวกู่ซ่อนอยู่ข้างหลังอีกทุกสิ่งทุกอย่างนะซ่อนไว้หมดเลยงั้นต้องแยกคายในการสังเกตใจของเราไปเรื่อยรู้ทันมันอะไรผลักดันให้เกิดพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจของเราแบบนี้นะใครดูออกบ้างเคยเห็นไหมมันมีตัวผลักดันพฤติกรรมทางกายวาจาใจของเราส่วนมากก็ตัวกูเท่านั้นนะซ่อนอยู่นะมีเราทั่านั้นนะอยากให้เราดีอยากให้เราสุขอยากให้เราเด่นอยากยังง้นอย่างนี้ มีความอยากมีเราขึ้นมานะแล้วคอยรู้เท่าทันถ้าทำไปด้วยอำนาจผลักดันของกิเลสนะยากที่จะบริสุทธิ์หมดจดนะแต่อาศัยกิเลสนะเมื่อตอนก็มีกิเลสก่อนทำให้อยากทำกรรมดีพอทำกรรมดีแล้วก็ค่อยสังเกตรูร้ทันกิเลสไปต่อไปทำกรรมดีที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังได้ใครจะคุยกับหลวงพ่อเชอิให้พวกอยู่วัดมีสิทธิ์ก่อน มาสักการครับหลวงพ่อครับมาอยู่วัดเมื่อวานก็รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มันปรุงทุกออกมาอยู่ตลอดเวลาครับผมแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันมันแปลกๆตรงที่ว่ามันมันเหมือนมันสับสนว่ามันมันก็ทุกของมันนะครับหลวงพ่อคื่ว่าเวลามันมันย้อนกลับเข้ามาดูข้างในแล้วมันรู้สึกมันอืมันมีความสุขอย่างไรแต่มันก็ยังไม่ค่อยชอบอยู่ครับมันก็จําเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไม่บากย่างมี ความทุกข์ก็ปัญหาก็ยังมีไม่หมดห้ามมันไม่ได้นะแต่จิตที่ฝึกดีแล้วมีความสุขนะท่ามกลางปัญหาท่ามกลางอะไรต่ออะไรวุ่นวายนะมีความสุขมีความสงบอยู่ได้เพราะจิตกับขันเนี่ยโคจนกันปัญหานเนี่ยกระทบเข้าที่ขันได้เข้าไม่ถึงจิตที่ฝึกดีแล้วพยายามฝึกไป แล้วอย่างที่มันรู้สึกเวลามันกลับเข้ามาดูเนี้ยครับหลวงพ่อแล้วที่มันรู้สึกว่ามันยังมีความสุขอยู่ตรงนี้คือมันเป็นเป็นสมาธิที่มันติดอยู่ใช่ไหมครับสมาธิมันมีอยู่ขันมันแยกขันมันแยกนะความทุกข์ก็อยู่ส่วนความทุกข์นะจิตอยู่ส่วนจิตขันมันแยกจิตมันมีความสุขบางคนถึงติดอยู่ตรงที่จิตผู้รู้นเ่งเพราะทำแล้วมีความสุขไปทําต่อไปครับผม แล้วเนี่ยอย่างมังในกรณีครับหลวงพ่อรู้สึกว่ามันมันคิดแต่รู้ว่ารู้ว่ามันคิดมันเหมือนว่าเราดูจิตไหลจนจนเราไม่สนใจมันเหมือนว่ามันปล่อยให้มันคิดไปอยู่เรื่อยเลยแล้วพอว่ามันสติมันกํากับไม่พอคราวนี้มันจะเข้าไปอินถูแล้วก็เลยจะต้องรีบกลับเข้ามาบางทีจะกลับเข้ามาทําสมาธิไว้ก่อนนะครับอันนั้นสําหรับคนเคยปฏิบัตินะถ้าคนไม่เคยปฏิบัติเนี่ยถ้าปล่อยไหลแล้วไหลเลยไม่กลับมาละ ของเราถ้าจิตมันเคยชินกับการปฏิบัตินั้นมันหลงไปกับทุกช่วงหนึ่งนะเมื่อเฉลียวใจกลับเข้ามาเราฝึกบ่อยๆแต่ปล่อยมากๆไม่ได้นะปล่อยน้ําจะไปเลยครับผมเพราะว่าสมาธิที่เรามีนี่เป็นสมาธิยังเชื่อถือไม่ได้ครับเป็นสมาธิที่ยังเสื่อมได้ครับนะครับกลับมาคุณหลวงพ่อครับนมัสการค่ะหลวงพ่อ อยู่วัดวันแรกก็มาอยู uh ่ว huh. ัดครั้งแรกค่ะแล้วรูปแบบก็เมื่อคืนกลัวมากก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อเปิดไฟเปิดไฟในกุฎแล้วก็คือบริกรรมลูกก็บริกรรมตลอดไงค่ะเปิดไฟในกุฎเนี่ยตุ๊กแกจะมานะเปิดทั้งข้างนอกและข้างในอะค่ะเออหน้าตุ๊กแกชอบมากเลยมีแสงเพราะแมลงมันมาตุ๊กแกก็จะแผ่กันมาเต็มกุฎหนูเลยที่สุ ที่เขาปิดไฟเขาไม่ให้มแมลงมามแมลงไม่มาเดี๋ยวทุกแกก็ไปหากินที่อื่นเอาแล้วไงอีกก็คือก็เลยเมันเห็นความมัวของกุดออะคะ่ะก็เลยเราก็เลยจะทำยังไงดีก็เลยสวดมนุมก็เลยเมื่อคือเลยสวดมนเยอะเป็นพิเศษสวดหมดเล่มหลายเล่ ม, มประมาณสองเล่มไงคะ่ะก็รู้สึกว่าเจิตมันดีขึ้น แล้วก็มันก็มีความสว่างมากขึ้นมันก็แต่็ละก็ลองมาเดินจงกรมแต่เดินจงกรมก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยพอเห็นเวลาสี่ทุ่มก็เลยนอนดีกว่าอืแต่มันนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันยังมีความกลัวหลายอย่างอะคะ่ะก็เลยกลัวผีหรือกลัวมันกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะอืค่ะกลัวมากหลายอย่างอื่ะ จริงๆถ้าเกิดผีมาถ้าเกิดมาเห็นๆก็คงไม่กลัวค่ะแต่เวลาที่ผีมาจริงๆเราจะไม่กลัวน ะ, ะเพราะเวลาเราเห็นผีเนี่ยเราเห็นในสมาธิจิตนั่นั้นไม่กลัวหรอกมันกลัวตอนที่มันยังไม่มาใช่ค่ะใช่หลวงพ่อเคยกลัวผีมาก่อนแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะทําไงต่อค่ะเพราะว่าหนุงพ่เคยให้หนูแยกท่าแยกคันแต่หนูรู้สึกว่า มันก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะหัดดูไปนะ่าความกลัวก็ส่วนความกลัวจิตก็ส่วนจิตนะค่อยๆฝึกไปฝึกไปเรืยจนเห็นเลยความรู้สึกทั้งหลายกับจิตนะั้นเป็นโคราชกันหัดแยกไปงั้นอ้าต่อไปค่ะเมื่อวานก็มีเด็กคนงานมาบอกเจองูหลามตัวใหญ่ตัวใ่อกไ้ที่แค่เนี้ยความกว้างหรือว่าความยาว <laughs> ถ้างูยาวแค่นี้จุ๋มจิ๋มมากมแต่ถ้างูตัวอ้วนแค่นี้นะก็น่ากลัวอยู่บอกจะทํำยังไงได้ที่เนี่มอยู่ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าเออก็นมามัสการเจ้าค่ะคือก็ไม่เป็นกลางค่ะเราก็ดิ้นรนมากคะ่ะขอคําแนะ น, นําด้วยคะ่ะก็รู้ไปว่าไม่เป็นกลางรู้ไปไว้ใจมีความอยากะ หรือทันแลาโดยือจะไปกลัวมาก<ห>าอะไรอะไรก็ไม่เกินกรรมหรอกนะเพระฉะ้ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกถ้ามีกรรมนะยังไงก็หนีไม่ได้แต่ไม่มีกรรมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่แน่สักแค่ไหนหรอกหนูก็คิดอย่างนั้นค่ะแต่มันไม่หายค่ะมันเป็นมานานอ่ะว่าไปโดยปกติโยมใช้การดูกายเป็นวิหารธรรมนะคะ เ, เวลานั่งอยู่ก็จะดูกายหายใจเข้าออกถ้าเวลาไม่นั่งก็ดูการเคลื่อนไหวอืทีนี้เอเท่าที่สังเกตนะคะ เ, เวลาจิตหลงไปคิดอื ม, มันจะรู้สึกว่ากายมันหายไปเลยใช่ถ้าธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดจิตจะไม่รู้จักกายแล้วธรรมดา S <S นี่เราว่าปฏิบัติทํำยังไงไม่ใช่ว่าห้ามจิตลืมกายนะจิตไหลไปคิดเรารู้ทันถ้าใจจิตเป็นไหลไปคิดเรารู้ไม่ทันนัมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมีกายก็กายหายไปความสุขความทุกข์เกิดที่จิตก็ไม่เห็นกุศลอกุศลเกิดที่จิตก็ไม่เห็นเพราะมันไปหลงอารมณ์บัญญัติซะแล้วเนะีเรื่องราวที่คิดนี่ว่าอารมณ์บัญญตัติถ้าเมื่อไรจิตหลงไปอยู่กับอารมณ์บัญญตัติจิตจะไม่เห็นอารมณ์รูปนามไม่เห็นอารมณ์ปรมัตดรูปนามนี้ งั้นใจไหลไปเรารู้ทันนะมันจะกลับมารู้รูป ร, รู้นามต่อก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช่แต่ว่ามันเห็นนะว่าบางครั้งมันมีความคิดแล้วก็เห็นกายคือแต่ว่าจะมันเหมือนกั บ, บแต่แ่งส่วน<ก>บางๆนะอะค่ะอันนั้นอาศัยสัญญา<ง>จำกายอยู่นะถ้ารู้เรื่องราวที่คิดอารมณ์มันจะเด่นได้อันเดียวแหละไปฝึกเอานะฝึกเอาน แล้วจิตไปยึดไปถืออะไรนะกิเลสอะไรซ่อนอยู่ในจิตในใจเราใครรู้เท่าทันไปเมื่อจิตที่ดีที่สุดนะคือจิตธรรมดาที่สุดไม่ได้จงใจปฏิบัติในจิตที่จงใจปฏิบัติเนี่ยจะหนักหนักแน่นมากไปใช่ไหมมันหนักตลอดเวลานั่นแหละเพราะว่าเอาจริง <c oughs> ตั้งใจจริงก็ <c oughs> หนักนะเราจะปล่อยอยังไงคะ ให้รู้ทันนิสัยเราปล่อยยากนะนิสัยเป็นคนจริงจังรู้สึกไหม<ช>ลุยแหลกทุกเรื่องอ๋<ช>อะนะให้รู้ทันตัวนี้นะพอตัวนี้คลายเดี๋ยวนี่ลุยอ่ะทั่งการปฏิบัติสู้ตายอเอาเป็นจะหักคอกิเลสให้ได้อย่าถอนใจ <c oughs> นะวันนิสัยเราอย่างนั้นไม่เป็นไรเมื่อสองวันที่แล้วไปตรวจร่างกายนะคะก็เลยรู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ ก็เลยจิตคิดเองอะฮะว่าหลังจากที่รู้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอืชีวิตที่เหลือที่ไม่ไม่มากเนี่ยขอปฏิบัติบูชาพระเจ้าดีมากเลยนะสารถูดี ค, คิดถูกขอพระคุณค่ะคิดถูกนะค่แต่ไปนี้เราค่อยรู้ทันเวลาจิตเราไปยึดถือในความคิดความเห็นอะไรนะรีบรู้ทันเลยพอยึดถือความคิดความเห็นแรงเนี่ยมันจะไปบังคับคนอื่นด้วย เป็นธรรมชาติเลยอยากให้เขาดีอยากให้เขาอย่างงี้เป็นแทรกแซงให้รู้ทันใจของเราเนี่ยนะรู้บ่อยๆสังเกตไหมว่าใจเดี๋ยวนี้กับใจแต่ก่อนไม่เหมือนกันเนี่ยภาวะแห่งความรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วที่ทำอยู่นี้ดีแล้วนะถูกแล้วขอบพระคุณค่ะทำถูกกับลำพ่อคะ่ะมาอยู่วัดเป็นครั้งที่สองอ เวลานั่งสมมอญไว้พระรู้สักหน้าต่างมีเสียงก๊กก๊กแก๊กแรงมากบรรลุหน้าต่างก็มืดตึะเตอะได้หน้ากลัวไม่หรอกนพวกจิ้งจกอ่ะพวกจิ้งจกพื่ออะไรพวกนี้ชอบมาไต่ในดังก๊อกแก๊กเลยเมื่อคืนประมาณทุ่มหนึ่งยมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้อย่ามีแสงมารบกวนที่จะไหว้พระสมมมนต์นะก็แล้วก็สวดมนต์ไป ทางถนัดสดจีนนะฮะอัน ข, ของเจ้าแม่กวงเอมามาแปะบอรดแล้วก็ของดวงตามาด้วยอของกิตติปิสรด้วยอสุดปลายเสร็จเงียบส น, นิทนะคะไม่มีแสงแล้วลอกกวนแต่มีจิงจอกเน้นนิดนึงติ๊กๆๆนิดหน่อยแต่ไม่จิ้งจอกแล้ไม่มีอย่ไม่ลบกวน <laughs> เลยไม่รู้วมันเป็น ทีเ่เราอธิษฐานไว้หรือจิตมันพรุงแต่งหรือมีแทวนามอมอทนากัยอมด้วยได้ไม่ได้ถามน้องพ้อว่ามันมันเกี่ยวกับอะไรเงียบสนิทเลยฮะเงียบได้ก็ดีแล้วเงียบแล้วใจเราสงสัยนะให้รู้ว่าสงสัยดูจิตต่อเลยะนะจะได้บุญใหญ่บุญส่วนมนเนี่ยเป็นบุญของสมาธิแล พอจิตใจเราสบายเรารู้ทันว่าใจสบายใจสงบหรือใจสงสัยเนี่ยเราเริ่มเดินปัญญาเป็นบุญที่ใหญ่กว่าสมาธิอีกอ๋อล่ะค่ะได้นั่งสามาธิมาเราตกมอนประมาณชั่วโมงครึ่งแล้นั่งสามาธิไปอีกสิบห้านาทีเห็นสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มเล ย, ลยดได้จุดพระอ่าได้คราวนี้รู้สึกดีห่างเงียบสงบดีน ม, มองหน้าต่างมึงตังแต่ไม่กลัวเหมือนก็ปีที่แล้วดี ถ้าอยู่บ่อยๆก็ชินนะอย่างพระวัดหลวงพ่อเนี่ยถ้าเปิดไฟสว่างเดินไม่ค่อยถูกชนโน่นชนนี่นะอ๋อไม่เปิดไฟอากว่มีมาแรงมันเยอะเลยไม่ได้เปิดไฟถ้ามาแรงมานะมันก็มาแล้วจกทุกแกค่ะดีไปภาวนาต่อคะนวัตสการหลวงพ่อครับอกับผมที่มาอยู่วัดทิ่ ทั้งครั้งแรกแล้วก็ทีแรกๆเนี่ยกะว่าไม่กล้ามาอยู่คือผมกลัวมาแรงเอ้วก็กลัวความร้อนเออยู่ในบ้านมันสบายอยู่ออแอร์แอรบอกให้ท่านสิทธิ์ทั้งหลายว่าใครกลัวที่มีวจามาอยู่วัดอะไม่ต้องกลัวมาอยู่วัดเนี่ยสบายมาก ม, มาเห็นกุฏิแล้วโอ้ตกใจเฮ้ยกุฏิใหญ่ดีออออืเ แล้วก็เข้าไปอยู่นี่อยู่อย่างสบายอก็สวดมนต์เดินจองกรมรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าของจะเราไม่ไม่เลยหวังอะไรน่าดีไม่เลยหวังอะไรเลยไม่เห็นอะไรเอคนภาวนาแล้วจะเห็นนี่เห็นนู่นเราไม่เอาเราไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่เห็นหน้าดีมีสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิพักหนึ่งเพราะ เปิดตาขึ้นมาโอ้ทำในห้องนี่สว่างจ้าเลยรู้สึกว่าดีใจมากอย่าอยากให้เป็นนะครับถ้าอยากแล้วมันไม่สว่างครับถ้าใจของเราสบายนะแป๊บเดียวก็สว่างเลยคขอบคุณหลวงพ่อครับนะมาฝึกนะฝึกครับแต่อย่าอยากให้มันสว่างอีกนะถ้าอยากแล้วมันจะไม่สว่างครับก็จากที่หลวงพ่อแนะนาเมื่อวันวันนั้นเจ้าคะโยมก็ มาดูแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยตอนนี้เริ่มสวดนัตตรัคนสูตรสูตรแปลและใจเนี่ยเขาก็จะจ ะ, จะรับดูอโอเคมันไม่เที่ยมันไม่ใช่ตัวเราเแต่ก็ดูไปเรื่อยๆ เ, เจ้าค่ะนะดูไปหนะ้าถ้าจิตกระสับกระส่ายกระวนกระวายขึ้นมานะก็ให้จิตพักจนะอยู่กับสมถะอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะดูจิตเอาก็ได้นะใช่ใจมันพักมันพักมีเรื่องมีแรงแล้วก็มาเดินปัญญาต่อ ก่อนหน้านี้สมาธิดีนะจับอยู่ที่ตัวรู้แต่มันไม่เดินปัญญาต้องเดินปัญญานะ <c oughs> เงือนดีเอาต่อไปใครจะคุยเชิญเท่าที่จำเป็นนะใครจิตออกนอกบ้างหมดห้องแหละ <c oughs> ธรรมชาติของจิตต้องออกนอกออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจ พอไปกระทบอารมณ์นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศล ข, ข, ขึ้นมาเราคอยรู้ทันนะน่ะมาสักการค่ะหนูมาส่งการบ้านค่ ะ, ะมันจะมีเป็นช่วงๆเมื่อพักใหญ่ๆเนี่ยมันมันมันเบื่อหลวงพ่อคือมันเบื่อแต่ว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาแทรกอนะตอนนี้มันเริ่มแบบว่ามีโทสะเข้ามาแทรแล้วยิ่งแบบไปเห็นกิเลสตัวเองยิ่งยิ่งเบื่อใหญ่เลยหลวงพ่อแล้วก็มันก็จะเป็นบางครั้งมันก็แยก น่าจะเป็นแยกธาตุนะคะแยกธาตุแยกขันธน์เพราะว่าหนูว่าเห็นแบบไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันจิตจีดขึ้นมาแล้วหนูก็ไปเจอเห็นตัวรู้น่าจะเป็นตัวรู้ค่ะใช่ค่ะแล้วหนูก็เห็นเห็นตัวเห็นกายของหนูเองอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อทีนี้หนูจะไปไปไ ป, ไปอยู่วัดเจ็ดวันนะคะอยากจะอยากขอหลวงออขอกันบ้านนะคะก็แยกไปเรื่อยนะจิตเป็นคนดูไปเรื่อยกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดู สุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูจิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเป็นคนดูเห็นแต่ของไม่เที่ยงแปบบลปวนไปได้ได้แล้วหนูเริ่มเดินปัญญาเลยใช่ไหมคะหนูพ่อเริ่มค่ะปัญญาเนี่ยจุดตั้งต้นอยู่ที่แยกธาตุแยกขันในปัญญานะเรียกว่ายานยานสิบหกขั้นขั้นที่หนึ่งคือแยกธาตุแยกขันนี่แหละ แล้วถัดจากนั้นถึงจะค่อยดูว่าทุกอย่างมันมีเหตุมันก็เกิดมันไม่ให้อยู่ๆก็ลอยๆมาแล้วทุกอย่างมันมาแล้วก็มันก็ไปไม่เที่ยงค่อยเห็นเป็นลําดับไปในที่สุดก็เห็นมันเกิดดับต่อนหน้าต่อตา น, ะนะั่นเรียกว่าทำวิปัสสนานะตรงที่ทํำวิปัสสนาเนี่ยมันเลยแยกธาตุแยกขัดมาจนมันเห็นธาตุเห็นขันแต่ละอย่างนะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปถึงจะเป็นวิปัสสนา ไปทําต่อนะแล้วระวังอันเดียวอย่าให้จิตฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านทําความสงบเพ่อมาบ้างนะพระนัะการค่ะหลวงพ่อออยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยเมตตาแนะแนวทางปฏิบัติที่เหมาะกับตัวหนูให้หน่อยอค่ะเป็นคนคิดมากไหมคิดมากค่ะคิดมากดูจิตเนาจิตเดี๋ยวสุกจิตเดี๋ยวทุกข์จิตเดี๋ยวดีจิตเดี๋ยวร้ายดูบ่อยๆน ะ, ะดูให้ถีที แล้วคนแล้วทางดูกายด้วยไหมคะท่านกายมันของง่ายๆนะ้ดูจิตอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันไปเรื่อยนะแล้วถ้าดูจิตไม่ออกหรือไม่มีอะไรให้ดูก็ดูกายเห็นร <He S 1> ่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆเห็นความโมโหตัวเองแต่จิตไม่เป็นกลางแล้วมันก็ไม่หายอ่ะเออไม่ไม่ต้องให้หายนะ <c oughs> ที่มันไม่หายเพราะจิตไม่เป็นกลางก็ดูไปเรื่อยๆใช่คะให้รู้รทันมันจิตไม่เป็นกลางให้รู้ พอไม่เป็นกลางก็จะดับจิตจนเป็นกลางขึ้นมาพอเป็นกลางนะสติะระลึกรู้ความโกรธด้วยความเป็นกลางลขาดเลยขอบคุณค่ะท่านตอนนี้ตื่นเต้นนะคะหลวงพอ่อแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีสมาใจไม่ตั้งมั่นนะคะแต่ว่าหลังจากที่ตอนที่เจอหลวงพ่อที่บริษัทนะคะ่ะแล้วที่ตอนนั้นมันเพ่งบริษัทเลยที่ตอนเ อ, อเอสโซคะ่ะ จิตมันเพ่งแล้วมันติดเพ่งอยู่สองวันแต่ว่ามันในระหว่างนั้นมันก็เห็นนะคะว่าใจตัวที่มันมันเคลื่อนไปยึดตรงนั้นมันคือเกิดจากการที่มันยึดจิตรุนแรงมันเห็นจิตเป็นเราอย่างรุนแรงอะค่ะแล้วสภาวะที่มันดันดันพุ่งออกไปจากฐานเราปรับมันไปจับสภาวะนั้นคืออุปาทานใช่ไหมคะคือตัวที่ทยานไปเนี่ยตัวตัณหานะแล้วเข้าไปตะครุบอารมณ์มันก็เป็นอุปาทานอ๋อค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ปรุงใหญ่เลยตะครุบได้ก็ปรุงก็เป็นภพ แล้วมันก็มีเราอยู่ในพบขึ้นมาค่ะแล้วพอแต่ว่าทำสมาธิวันที่พอใจมันสบายๆหน่อยเราทำสมาธิคือมันก็ยังมีช่องเพ่งอยู่แต่พอไม่สนใจมันก็ยังอยู่ตรงนั้นโดยที่มันก็มีสภาวะที่มันสว่างกว้างโดยรอบแล้วมันก็เหมือนตั้งมั่นต่างหากจากตรงช่องที่มันเพ่งนั้นคือตรงตรงที่ตั้งมั่นเนี่ยต้องระวังนะเราต้องไม่รักษาไว้ค่ะให้เห็นเลยว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็กลายเป็นตัวคิดนะถ้าเห็นเป็นตัวรู้บ้างเป็นตัวคิดบ้างนะยังดีแตอถ้าไปตั้งไว้ตัวรู้เที่ยงเห็นของอื่นไม่เที่ยงแต่ตัวรู้เที่ยงอันนี้ไม่ดีนะคือตอนนี้หนูกเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนกับแบบเห็นอย่างอื่นเป็นข้างหน้าแล้วแต่ข้างในมันว้างค่ะมันว่างว่าอย่ารักษามันอย่าประคองอย่ารักษามันเราหวงไอ้ตัวนี้ รักษาไว้อย่างเงี้ยทำท่านี้แต่ว่าหลังๆมันไม่ได้เข้าสมาหมันหนูทามันก็จะฟูงๆอะคะ่ะก็เลยจะอาศัยคือรู้รดูจิตเอาแล้วมันก็จะไปสังเกตตรงที่ว่าตอนนี้ทำอะไรกับสภาวะนั้นอยู่หรือเปล่าใจทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าเงี <S <S 2> <S 2> <S <ๆ>้ยค่ะแต่ใจก็มันมันไม่ค่อยตั้งมั่นคืออย่าให้นะให้ตัวนี้ค้างตลอดก็แล้วกันนะ ถ้าตัวนี้ค้างตลอดไม่ดีถ้ามีบ้างเกิดดับไปได้นะ mm hmm. ก็ดีแล้วละอย่ากลัวเรื่องสมาธิเลยสมาธิก็คือความตั้งมั่นนี่เองถ้าใจตั้งอยู่ก็คือใจมีสมาธิอยู่นี่ตอนนี้คือไม่ไม่ใช่ว่าหนูต้องไปทาสมาธิเพิ่มอะไรใช่หไม่ใช่หนูต้องปล่อยการประคองจิตอาไว้ oh. อย่าประคองปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติกว่านี้นะ oh. สบายแต่ถ้าปล่อยแล้วฟุ้งเนี่ยทาสมรร ตอนไหนฟุ้งมากดูกายดูใจไม่รู้เรื่องทาสมถะตอนไหนมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถ ะ, ะใช้หลักนี้เล่ยไปกล่าวนมัสการคลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบหลายเดือนเน้ย ค, ะออค่ะก็เห็นเห็นทุกข์เยอะแล้วก็นะหนักใจที่มันทุกข์แล้วก็ไม่เป็นกลางคะ่ะ จริงๆเราอยากได้ความสุขทุกคนนะแต่จริงๆโลกมันทุกข์มันไม่มีหรอกความสุขในโลกมันหลอกๆหลอกเด็กมีขนมหวานให้กินนิดหนึ่งแท้ๆเผ็ดร้อนมากโลกนั้นเราพอนาเรายอมรับตรงนี้นะใจเราออกห่างจากโลกได้แล้วมีความสุขเยอะเลยไม่ใช่ว่าออกหักจากโลกแล้วต้องไปบวชทีน ะ, ะไม่จาเป็นเราอยู่บ้านนี้แหละ ใช้ชีวิตอย่างคนมีศีลมีธรรมอยู่แบบบ้านในเพศคารว่า น, นี่แหละไม่จําเป็นต้องบวชของหนูไม่มีติดล็อกอะไรอยู่ใช่ไหมคะของหนูไม่มีติดล็อกอะไรอยู่ใช่ไหมคะอย่ากลัวลอะไรยังไงก็ติดคไม่ติดอันนี้ก็ติดอันโน้นธรรมดาค่อยรู้ทันเป็นลำดับไปนะะอย่างสมัยเราภาวนานแล้วโอ้ตั้งนานแล้วยังเหมือนเดิมเลยเนี่ยแปลว่าไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยๆสังเกตไป ทำไปสบายสบายไม่รีบร้อนครอกยิ่งรีบยิ่งช้ากาับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะวันนี้มาเป็นครั้งแรกคือ ม, มาพร้อมกับน้องและคุณแม่มทีนี้อยากขอบุญบารมีหลวงพ่อช่วยชีย้นำทางแสงสว่างสิ่งที่ได้ปฏิบัติมา<อ>คือตลอดเวลายะเวลาสี่ถึง้าปีเนี่ยเราก็ได้ศึกษา การไปถึงศีลสมาธิภาวนาหลายสายมากเลยอะค่ะทั้งพุโทโธทั้งยุบหนอทั้งสัมมาราหังแล้วก็ตามจิตตามอารมณ์ในการหายใจเข้าออกแต่ที่นี้เนี่ยการปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยเราทาได้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติที่บ้านโดยเป็นประจามีความรู้สึกว่าที่เราปฏิบัติมาทุกอย่างนี้มันเป็นพาราค่ะมันเหมือนว่ามันอึดอัด Mm hmm. มันไม่เป็นความสบาย mm hmm. ไม่เป็นธรรมชาติ mm hmm. ก็เลยมองที่ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามองตามจิตตัวเองอย่างเดียวเท่านั้น mm hmm. ก็ทำได้แต่มันเกิดนิมิตในการที่ภาวนาทุกครั้ง mm hmm. อย่างการเห็นเราภาวนา ถ, ถึงองค์สัมมสัมพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์ mm hmm. เราเห็นองค์ท่านหลายครั้ง mm hmm. ในการเห็นแต่ละครั้งนะคะหลวงพ่อ mm hmm. ก็เป็นรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกัน mm hmm. ทีนี้เราก็มาพิจารณาตัวเองว่าเราหลงไปเรายึดติดหรือเปล่าแต่ตอนจิตที่เราตั้งภาวนานี้ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเห็นแต่มันเห็นเองอะค่ะอแล้วก็เกิดอาการหลายๆอย่างที่เราเห็นอย่างเช่นเราเห็นหน้าคนที่เราไม่รู้จกักเออบางทีเราก็เห็นวิญญาณตนอื่นที่เราไม่รู้จกักเข้ามาแ ต, แต่ก็พอจะรู้ว่าคนทําอย่างไรก็คือการแผ่เมตตาให้เขาเ อ, อแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาค่ะ สุดท้ายก็มาตั้งจิตที่ว่าเราควรปล่อยให้ว่างอตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาให้เห็นเพราะกลัวหลงติดนะคะตรงที่อยากปล่อยให้ว่างนั่นแหละหลงติดแล้วสิ่งที่เราเห็นก็เลยอยากจะปรึกษาหลวงพ่อว่ามันเป็นความหลงติดหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ามาเองอะคะ่ะคือจิตเรานะมันยังไม่ได้รู้ตื่นจริงจิตมันยังติดอารมณ์ติดสมาธิอยู่ ลองปรับวิธีใหม่แต่เดิมเรียนไปหลายที่หลวงพ่อเรียนเยอะนะที่คุณพูดมานะ่ยหลวงพ่อเคยทําทั้งนั้นอนะ่ะก็มีโอกาสได้ไปนะหลายที่หลวงพ่อไปเรียนมาเยอะเลยครูบาอจารย์หลวงพ่อนะีเพียบเลยสักสี่สิบองค์ได้เรียนที่โน้นที่นี่ไปเรื่อยสุดท้ายได้หลักกันหนึ่งนะมีสติให้ดีมีสติน ะ, ะกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเปลือกของการปฏิบัติ จิตใจของเราที่ถูกต้องในการปฏิบัติเป็นตัวสําคัญจิตที่ถูกต้องนะประกอบด้วยสติและสมาธิสมาธิไม่ใช่สมาธิอย่างที่เราฝึกกันหรอกสมาธิก็คือการที่จิตมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่หลงไม่เผลอไปรู้ตัวอยู่อย่างสบายๆไม่ได้ไปยึดอยู่นะไม่ได้หยุดหยุดอยู่กับอารมณ์ใดอนหนึ่งน ะ, ะจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูสบายๆของคุณไม่สบายแน่นนะอย่างแน่นๆอยู่ นี่วิธีที่จะฝึกให้ได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกนะคุณทํากรรมฐานอย่างใดก็ได้ที่เคยฝึกแหละสัมมาอรหังก็ได้พุโทโธก็ได้พองยบก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ทําอิริยาบดหรือเคลื่อนไหวอย่างหลวงพ่อเทียนอะไรก็ไ ด, <Okay. S 1> แ ด, ด้แล้วรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตไปเพ่งจิตนิ่งๆอยู่รู้ทันคอยรู้ทันจิตดูท้องพองยบจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทัน การที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะจิตจะหยุดเราก็ตั้ง<ช>มั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีคําว่าเบิกบานอยู่ด้วยนิมิตแสงสีอะไรนี่เป็นเรื่องของสมถตาทั้งสิ้นเลยน ะ, ะตรงนี้นิมิต ท, ทั้งหลายไม่เอาเลยมันจะไม่เอาก็ปัจจุบันก็ตัดนิมิต ท, ทั้งหลายอาอกปล่อยให้ว่างค่ะเออไม่เอาว่างาว่างว่างก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกันนึ่งเป็นของไม่เจี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยดับทั้งสิน้นกระทั่งความสงบเกิดแล้วก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วดับอกุศลเกิดแล้วดับความว่างเกิดแล้วก็ดับความวุ่นวายเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้ารู้เพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วดับทั้งสิน้นตั้งเป้าของการภาวนามาตรงจุดนี้เพื่อให้เกิดต <Has. S 2> ัญญาเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปนะ <has. S 2> ไม่ใช่เพื่อให้จิตว่างจิตนิ่งนะอันนั้นเป็นพบภูมันหนึ่งเท่านั้นเอง และปัจจุบันที่นั่งอยู่ก็คือเรามีความรู้สึกว่าเรานั่งจนมันจิตนิ่งจิตตั้งมั่นแล้ว เ, เอความรู้สึกเหมือนเรากล่าเราหลับแต่เรารู้จิตเรารู้ว่าเรามัน เ, เ, เหมือ น, น, นว่ามีอี ก, อ, กอีกจิตหนึ่งที่เรารู้ว่าเราตัวเราไม่หลับเอจิตเราไม่หลับมีรู้ตัวอยู่ตลอดนะคะก็ถูกต้องนะถูกต้างในขั้นของสมาธิถัดจากนั้นเดินปัญญาเห็นร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุ เห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชัวง่วเนี่ยเฝ้าดูนะเพื่อถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไม่ใช่ฝึกเพื่อรักษาจิตให้เที่ยงนะลองปรับตัวนี้นะถ้ า, ถาตั้งเป้าถูกเนี่ยมันไปได้ง่ายเพราะสมาธิเราเยอะแต่ถ้าเราติดสมาธิแล้วไม่เดินปัญญาเราไปไหนไม่ได้หรอกก็สงบแล้วก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟ úng, ุ้งวนไปอย่างนั้นแหละหลวงพ่อเล่นสมาธิยอยู่22ปี เรื่องสมาธิน่าชนานาญนะคะแต่รู้เลยว่ามันไม่ใช่ทางของปัญญาคนละเส้นกันมันทําให้จิตมีเรื่องมีแรงท่นนั่นแหละแต่ถ้าจิตมีกําลังพอสมควรนะแล้วก็มันมีกิเลสดันเช่นมันอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรมันออกนอกไปรู้ไปเห็นหมดเลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันนี้พระเจ้าหน้าอย่างนี้อีกวันหนึ่งแต่งเครื่องแบบอย่างนี้และวันหนึ่งวิมานสีนี่วันหนึ่งวิมานอีกอย่างอะไรสารพัดจะปรุงนะค่ะอือหลวงพ่อคะ การที่หนูปฏิบัติมาแล้วหนูมีความรู้สึกว่าเกิดความเบื่อหนในวัฏสงสารหรื อ, อในการเป็นมนุษย์เจอทั้งสุขทั้งทุกข์เจอสุขมันก็หมุนให้เราไปเจอทุกข์มันไม่มีความไม่เที่ยงตลอดอทีนี้จิตเราคิดว่าเราอยากเดินสายทางธรรมเราจะสร้างกรรมเพิ่มไหมคะในเมื่อเรามีลูกมีสามีแต่และจิตเรามีความคิดว่าเราไม่อยากอยู่ในวังวนของอันนี้เราอยากเดินทางธรรมที่เหมาะกับตัวเราการที่เราแสวงหานะบอกว่าเราอยาก ไม่อยากอยู่กับโลกอยากให้จิตว่างอนะจิตว่างก็โลกอีกโลกหนึ่งนะเรามาเฝ้ารู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปส่วนการอยู่กับลูกกับสามีกับครอบครัวหน้าที่การงาน เ, นเป็นหน้าที่ก็ทําไปถือว่าเป็นหน้าที่ก็ทําไปนะแต่ใจของเราเนี่ยเราคอยเรียนรู้ไปเรื่อยเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะไม่ได้มุ่งไปหาโลกที่ว่างเปล่าหรอก ถ้าเราหาโลกที่ว่างเปล่าเราจะไปติดในภพที่ละเอียดขึ้นไปคืออรูปกับภพเป็นภพอีกภพหนึ่งนะแล้วถึงวันนึ่งเขตายจากภพนั้นแล้วกลับมาวนเวียนอยู่อย่างนี้อีกแล้ถ้าตัวเองคิดว่าอยากจะละทางโลกและเดินสายทางธรรมนี่การที่เราละครอบครัวและสามีนี่จะเป็นกรรมเพิ่มไหมคะเป็นอย่างน้อยเราทําความทุกข์ให้เขาละเห็นไหมทำความทุกข์ทำความเดือดร้อนให้เขาเราสร้างกรรมนะ เรามีหน้าที่ดูแลก็ดูแลไปในขณะที่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราพัฒนาได้มันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ถ้าจะมุ่งไปเป็นฤาษีชีพไรนะการมีครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องขัดแย้งกันเนี่จะมุ่งทําจิตให้ว่างเนี่ยการมีครอบครัวนี่เป็นเรื่องขัดแยง้ ง, ย ง, ย ง, แ, ยงแต่นั้นไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าหรอกพนะพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งไปหาความว่างคําว่าว่างนั้นว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสตัณหา ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะขอบพระคุณขอบพระคุณหลวงพ่อสังเกตนะจิตมันอ่อนลงเขาก็รู้นะนาสการครับหลวงพ่อครับคือผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็ผมมากายครับมาจากต่างประเทศครับผมมีความตั้งใจที่จะ ได้รับการแนะนำจากหลวงพ่อครับว่าการที่เราจะฝึกสมาธิอย่างเงี้ยจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับโยกจะฝึกสมาธิเพื่ออะไรสมาธิมีหลายแบบต้องถามวัตถุประสงค์ก่อนย อ, อยากได้สมาธิเพื่ออะไรเพื่อแยกแยกะครับเพื่อใหเอ้เพื่อเอาไปใช้ทางโลกหรือเปล่าครับผม ให<ไ>้ความสบายใจขึ้นอเออถ้างั้นปทุกอย่างที่เรารเผชิญเออนะที่เรารเผชิญปัญหายมเคยเห็นมแมลงไห ม, มแมลงบินไปชนกระจกอะแล้วก็ชนอยู่งั้นนะหาทางออกไม่ได้ควาจรงิงถอยหลังมานิดเดียวเท่านเองการทําสมาธิเหมือนเราถอยหลังออกมาจากปัญหาที่กําลังเผชิญอยูนะ่วิธีทําสมาธินะหากรรมฐ า, านสักอย่างหนึ่ง อารมณ์สักอย่างหนึ่งสมาธิอันนี้เป็นสมัธิแบบธรรมดาไม่ใช่สมาธิที่จะไปใช้เจริญปัญญาทำวิปัสสนาเป็นสมาธิที่ให้ใจได้พักผ่อนจิตใจเนี่ยต้องการความสุขต้องการความสงบเรามาเลือกดูก่อนว่าจิตใจของเราเนี่ยชอบอารมณ์อะไรนะเช่นมันชอบพุโทโธพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็พุโทโธ บ, บ่อยๆจิตมีความสุขจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น ชอบรู้ลมหายใจถ้ารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเรามารู้ลมหายใจจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นนะลองไปเลือกดูนะว่าใจเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขอย่างบางคนไปอ่านประวัติพระพุทธเจ้าประวัติพระสาวกอะไรนี่อ่านแล้วมีความสุขนะอ่านประวัติท่านแล้วมีความสุขจิตใจไม่ไปที่อื่นจิตใจก็ได้สมาธิขึ้นมาได้พักผ่อนจิต ท, ที่ได้พักผ่อนคือจิต ท, ที่มันสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ เราเลือกอารมณ์ที่สบายใจนะเคล็ดลับนิดเดียวเรื่องหาอารมณ์ที่สบายใจนะแล้วมาอยู่กับสิ่งนั้นไปเรื่อยพุโทโธแล้วสบายใจอยู่กับพุโทโธไปหายใจแล้วสบายใจก็อยู่กับลมหายใจไปนะเราเลือกเอานะลองไปดูเอาเพอใจเราสบายอยู่ในอารมณ์อะไรใจก็สงบนะ้วสมาธิอย่างนี้ไม่ยากหรอกนะต่อไปพอฝึกชำนาญ น, นะพอคิดจะทําความสงบก็สงบเลยนั่ชำนาญขึ้นมาง่าย เห็นไหมหลวงพ่อใจดีเห็นไหมเพื่ต้องการสมาธิแบบนี้สอนอย่างนี้นะแต่และอย่างไม่เหมือนกันแต่และคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนจะไปนิพพานสังเกตนะที่ใจไม่มีสมาธิเพราะใจชอบฟุ้งไปใจมันหนีไปคิดโ น, น้นคิดนี่นะก็เลยฟุ้งซ่าน ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธแล้วใจหนีไปเรารู้ทันหายใจไปแล้วใจหนีไปรู้ทันพอเรารู้ทันใจที่หนีบ่อยๆนะใจมันจะไม่หนีใจก็จะสงบลงมานะคอยรู้ทันบ่อยๆกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ3สามหรือ4ี่ปีแล้วอะค่ะ การปฏิบัติก็บางทีก็เหมือนทําเป็นบางทีก็เหมือนอทําไม่เป็นข อ, องหลวงพ่ออะไรอย่างอาาของช<อ>ิ<ท>้นแนะของจากหลวงพ่ออาจารย์ภา<อ>วนานะบางวันก็เหมือนทําเป็นนะเหมือนมักผล น, นิพพานอยู่ต่อหน้าแล้วอีกวันหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเป็นอย่างนี้ธรรมดาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองไหมเห็นค่ะนะที่ทําอยู่ก็ถูกแล้วล่ะทําไปอีกที่ดูอยู่นี้คือถือว่าทําถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วเห็นไหมว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่ง เห็น <He> <ช>ไหม<ช>ว่าสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึง่งจิตก็อยู่ส่วนหนึง่งคือที่เห็นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอะคะ่ะก็เห็นนะเห็นสภาวะที่อยู่ข้างในนั่น น, ะะนั่นดิเห็นไหมกิเลสทั้งหลายก็ของถูกรู้ถูกดูความสุขความทุกข์ก็ของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนไปดูมันเขา้าแล้วค่อยฝึกไปเรื่อยนะขันมันแยกออกไปใจก็โล่งว่างสบายขึ้นสบายขึ้นทีแรกขันอื่นๆแยกออกไปก่อนนะเหลือจิต ถ้าปล่อยจิตอีกตัวเดียวก็คือหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเ<ม>ขางหนฝึกถูกแล้วรอคะคือหนูไม่มั่นใจเพราะว่าสามีเขาจะบอกว่าเนี่ยทําไม่เป็นทําไม่ถูกหรือว่าไม่ดีทําโอ้สามีเขาห่วงมั้งฝึกไปเรื่อยนะแล้วมีความสุขให้เขาดูค่ะอกรับขอบคุณค่ะหลวงพอ่ออ้าหมดแล้วละเชิญกลับบ้าน